บุกทูสิบสองสกุตสกุตเครื่องดื่มชซนนเอร์อรดิฉันดื่มชาค่ะเซชัยเซชยเซ ดิฉันดื่มกาแฟาค่ะเซ่กาแฟเซีช์เซ่กาแฟเซีชดิฉันดื่มน้ำแร่ค่ะเซมินิแรลลุปสเซีช์เซมินิแรลลุปสเซี ช, ชคุณดื่มชาใส่มะนาวไหมคะวะลิมอนเฮชูลล ชัยวยสส่าลิม้มมนค่ะูชยวสส์คุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมคะว่าโซชูค่ะูกาแฟวสส่าโซชูค่ะูกาแฟเคุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมคะวคู มมีงานเลี้ยงที่นี่คนกำลังดื่มแชมเปญรนส์ชนก คนกำลังดื่มวายและเบีเยร์คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไหมค ะ, ะ, ะ, ะคุณดื่มวิสกี้ไหมคะ ว่าวววิสก ว, ว, ว, สกวดื่มโคอกใส่เหล้ารำไหมคะวรวร่มเฮตุวก ว, ว, ว, กวดิฉันไม่ชอบแชมเ ป, สมปญส์แชมเปญส์ครับซึ่ง สัซดิฉันไม่ชอบวายซซานร์ซีจับซซานร์ซีจับดิฉันไม่ชอบเบียเซปีวเวอร์ซจับซปีเวอร์ซจับเด็กอ่อนชอบดื่มนม ส บ, บชยเด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิล้ลกอซกุ ก, กาอซผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุต บัลซัลโฟร์มแอปเปิลไซนิพส์หรือกรีปฟรูติพส ы